ประสบการณ์เจอดีผีญี่ปุ่นเรื่องนี้เกิดขึ้นเมื่อปีพศ2550ขณะที่ผมเดินทางไปญี่ปุ่นซึ่งไปกันทั้งหมด3คนเพื่อที่จะไปดูคอนเสิร์ตและงานอีเวนต์ของศิล ป, ปินนักร้องค่ายหนึ่งตอนนั้นเป็นช่วงต้นเดือนธันวาคมและพวกผมต้องอยู่ถึง15วันด้วยกันก็เลยมองหาที่พักถู ก, ถก เพื่อที่จะอยู่กันสักสองวันเป็นการประหยัดเงินส่วนวันที่เหลือก็ค่อยไปพักที่ดีๆหน่อยก็ได้ไปสะดุดตากับที่พักหนึ่งซึ่งคำนวณราคาแล้วก็ตกคนละ200บาทเท่านั้นเองไม่รอช้าผมรีบจองในทันทีถึงแม้จะอยู่ไกลนิดหน่อยแต่ก็พอเดินไหวแล้วก็จองไปสองคืนเมื่อถึงวันเดินทางผมก็ลงสถานีแห่งหนึ่ง แล้วก็เดินต่อไปยังที่พักที่จองไว้ซึ่งก็ไกลอยู่เหมือนกันเมื่อไปถึงก็เห็นว่าที่พักมีลักษณะเป็นบ้านญี่ปุ่นเล็กๆ เ, เจ้าของนิสัยดีพูดจาและให้คำแนะนำดีมากแล้วเขาก็พาไปดูห้องนอนโดยที่พักของพวกเราจะอยู่ชั้นสองซึ่งบนบ้านของเขาเองจะมีบันไดข้างๆเพื่อเดินขึ้นไปแล้วจึงจะเจอห้องที่พักแต่เมื่อไปถึง สิ่งที่เห็นกลับทำพวกเราอึง้งมันไม่ใช่เตียงนอนแต่มันเป็นแผ่นไม้ขั้นลักษณะคล้ายลงศพสามอันอยู่ซ้อนกันพวกเราก็พยายามไม่คิดอะไรมากคิดว่ามันถูกก็เป็นแบบนี้แหละแถมเครื่องทำความร้อนก็ยังไม่มีอีกด้วยเมื่อเจ้าของบ้านอธิบายอะไรเสร็จแล้วสิ่งสุดท้ายที่เขาทิ้งไว้ก็ทำพวกเราประหลาดใจซึ่งเขาได้บอกว่าที่บ้านนี้ มีเวลาเคอร์ฟิวถึงสี่ทุ่มเท่านั้นถ้าไปไหนจะต้องรีบกลับเข้ามาก่อนเวลานี้ซึ่งที่พักโดยปกติแล้วมันจะไม่มีเคอร์ฟิวอะไรแบบนี้แต่พวกเราก็ไม่ได้สนใจก็ทำตามที่เจ้าของบ้านเขาบอกกันแล้วกันจากนั้นพวกเราก็พากันรีบออกไปซื้อของกันจนกลับมาที่สถานีแล้วกลับมายังบ้านพักซึ่งเวลาตอนนั้นเป็นเวลาสี่ทุ่มครึ่ง เลยเวลาที่เจ้าของบ้านกําหนดเอาไว้แต่ก็คิดว่ายังไงเจ้าของบ้านก็ยังอยู่เพราะชั้นล่างเป็นบ้านของเขาเองพวกเราเดินขึ้นบันไดไปเพื่อที่จะเข้าไปยังประตูหน้าห้องแต่ก็เปิดไม่ได้เลยลองเคาะดูก็ไม่ได้ยินเสียงตอบรับใดๆทั้งสิน้นแล้วก็ลงไปเคาะบ้านชั้นล่างก็ยังไม่มีคนตอบอีกทายังไงละทีนี้คิดกันอยู่ครู่หนึ่งเมื่อตัดสินใจได้ก็นึกได้ว่าที่ชั้นบน ห้องข้างๆของพวกเราอีกห้องหนึ่งซึ่งปิดไฟอยู่และมืดมากพวกเราลองเข้าไปทางนั้นซึ่งมันก็เปิดได้จริงๆแต่ประตูเหมือนไม่เคยเปิดมานานมากหรือยังไงก็ไม่รู้มันเปิดได้เพียงแค่นิดเดียวจึงต้องพยายามมุดตัวเข้าไปพวกเราคร่ำหาปุ่มเปิดไฟอยู่ครู่หนึ่งเมื่อเจอก็กดเปิดเลยทันทีซึ่งไฟที่เปิดนั้นเป็นไฟห้องน้าเล็กๆ มืดมืดดูสลัวซึ่งดูน่ากลัวมากพอเดินเข้าไปในห้องอีกนิดหนึ่งก็เจอชั้นเหมือนจะไว้สำหรับให้ถอดรองเท้า ว, วางไว้และพื้นบริเวณนั้นจะเป็นเสื่อทาตามิซึ่งเมื่อเหยียบแล้วจะมีเสียงไม้ดังแบบในหนังผีใช้กันเลยห้องนี้มันน่ากลัวมากจนพวกเราไม่กล้าจะเดินสำรวจบริเวณโดยรอบของห้องจึงตัดสินใจว่า นอนกระตรงหน้าห้องน้ำที่มีแสงไฟนี่แหละนอนเบียดเบียดกันหน่อยเพื่อรอเจ้าของบ้านซึ่งอากาศตอนนั้นก็เริ่มหนาวแล้วพอนอนไปได้สักพักหนึ่งอากาศก็เริ่มหนาวมากจนทำให้นอนได้ไม่สนิทหลับหลับตื่นตื่นเมื่อมองดูนาฬิกาก็เป็นเวลาเที่ยงคืนกว่าแล้วเพื่อนอีกสองคนก็พยายามจะหลับเหมือนกันแต่ก็หลับไม่ได้เพราะไม่มีผ้าหม่ม ยิ่งดึกเสียงโดยรอบก็ยิ่งเงียบจนได้ยินเสียงใบไม้ที่โดนลมพัดเป็นจังหวะมามาหายหายตามกระแสลมแล้วพวกเราก็ได้ยินเสียงคนเดินเสียงเดินนั้นค่อยๆเดินขึ้นบันได จากข้างล่างขึ้นมาข้างบนเสียงเดินนั้นเดินมาอย่างช้าๆแล้วผมก็มองเห็นเงาแต่แยกไม่ออกว่าเป็นหญิงหรือชายเมื่อพวกเรารู้ว่ามีคนเดินมาก็รีบลุกขึ้นผมรีบเดินไปเปิดประตูแต่พอเปิดมากลับไม่มีใครเลย มันว่างเปล่าผมทั้งชอ็อกทั้งอึง้งสมองในตอนนั้นมันมึนไปหมดผมรีบปิดประตูทันทีแล้วหันมาคุยกับเพื่อนอีกสองคนเพื่อนมันก็บอกว่าเอาแล้วไงเมื่อกี้มันผีเปล่าวะอยู่ไทยตั้แต่เกิดมายังไม่เคยเจอผีเลยสักพักเพื่อนอีกคนมันก็สงสัยเลยเดินเข้าไปด้านในของห้องเพื่อสํารวจดูและเพื่อจะเจอฮีตเตอร์ด้วยจะได้ไม่ต้องทนหนาว เมื่อเดินเข้าไปเสียงไม้ก็ดังตามเท้าที่เหยียบและมันก็มืดมากๆไฟมือถือจากเครื่องที่เช่ามาก็เล็กนิดเดียวเป็นมือถือเก่าเพื่อนคนนี้เดินนำหน้าอีกคนเดินอยู่ตรงกลางส่วนผมกลัวมากเดินอยู่ท้ายสุดเมื่อเดินกันเข้ามาลึกมากพอสมควรก็เจอประตูไม้เลื่อนเพื่อนมันก็ค่อยๆเลื่อนประตูไม้ออกในห้องนั้นมันมืดมากๆ แลยจะต้องเดินไปกลางห้องเพื่อที่จะไปดึงเชือกที่ห้อยอยู่เพื่อเปิดไฟเมื่อเพื่อนมันดึงเชือกแล้วสิ่งที่เราเห็นก็คือห้องที่มีที่นอนปูอยู่ตรงกลางบ้านแล้วเพื่อนมันก็เหยียบที่นอนนั้นไปแล้วด้วยแล้วพวกเราก็มองเห็นกรอบรูปซึ่งเป็นภาพของป้าคนหนึ่งวางอยู่ข้างๆมีกระถางทูปวางอยู่ด้วยและมีรถเข็นกันหนึ่งจอดอยู่ ซึ่งสันนิษฐานได้เลยว่าต้องเป็นคนที่เสียชีวิตไปแล้วแน่ๆผมกับเพื่อนอีกคนรีบบอกเพื่อนคนที่ไปเปิดไฟกลางห้องว่าออกไปจากที่นี่กันเถอะไม่นอนที่นี่แล้วน่ากลัวแต่เมื่อเพื่อนผมดึงเชือกที่ปิดไฟนั้นผมรู้สึกว่ารถเข็นที่จอดอยู่นั้นหันมาทางผมเมื่อแสงไฟกลางห้องดับลงตาของเราจะปรับสภาพอยู่ครู่หนึ่ง เพื่อให้มองเห็นได้ชัดขึ้นในความมืดเมื่อผมหลับตาปรับสภาพและลืมตาอีกครั้งสิ่งที่ผมเห็นก็คือควันกลมๆสีขาวซึ่งอยู่บริเวณรถเข็นพอจ้องมองดูดีๆมันค่อยๆเปลี่ยนรูปกลายเป็นรูปร่างไม่ใช่หน้าของป้าคนนั้นแต่มีตาและมีปากสีดำตอนนั้นผมวิ่งหนีออกมาลงบันไดไปข้างล่างยังไม่คิดชีวิตเลย ส่วนเพื่อนๆก็ทยอยวิ่งตามกันออกมาซึ่งเพื่อนๆไม่มีใครเห็นเหมือนกับผมเลยพวกเราจึงตัดสินใจออกไปข้างนอกเพื่อหาที่นอนใหม่อากาศก็หนาวออกมากๆจนสุดท้ายก็ได้เจอมอสเบอร์เกอร์ที่เขาให้พวกเรานอนได้ซึ่งถ้าไม่รู้จักก็ลองจินตนาการดูว่ามันเป็นร้านคล้ายๆกับแมคโดนัล์ และพวกเราก็ตัดสินใจว่าจะไม่กลับไปนอนพักที่บ้านหลังนั้นอีกเช้ามาพวกเรารีบเดินทางไปเอาของที่ห้องพักเมื่อเดินผ่านห้องนั้นก็ยังรู้สึกกลัวอยู่เลยพอไปถึงก็เปิดประตูเข้าไปเจอคนญี่ปุ่นนั่งดื่มกาแฟอยู่ก็อยู่นี่นาแล้วทำไมเมื่อคืนเรียกไม่ตอบอีกใจก็คิดว่าหรือเขาไม่ได้พักอยู่ที่นี่แต่มาในตอนเช้า และพวกเราก็ขนของออกไปเพื่อเตรียมไปพักที่เขาซานโตเกียวที่เลือกไว้ก่อนหน้านั้นหลังจากนั้นผมก็ไม่เคยไปพักที่นั่นอีกเลยและดูเหมือนว่ามันจะถูกปิดไปแล้วจนวันนี้ผมก็หาที่นั่นไม่เจออีกเลย สมภัสยง